ถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจจะได้แล้วก็ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยใจจะไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะพุทธองค์ตัดได้ว่าการเกิดทุกข์คลาวเป็นทุกข์ร่ําไปเนี่ยเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันต้องเป็นทุกข์แต่วิธีการปล่อยวางนั้นก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกายใจว่าเป็นเราเมื่อไหร่แล้วก็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 เราต้องวางใจไว้เป็น ก, นกลางๆมันหายก็ดีมันไม่หายก็ไม่เป็นไรหายก็เอาไม่หายก็เอาเนี่ไม่ถึงการรักษานะผลคือต้องยอมรับทั้งสองด้านแล้วใจจะไม่เป็นทุกข์หรอกหายก็ได้ไม่หายก็ไม่เป็นไรใจเราต้องทําอย่างเนี้ยต้องรักษาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายแต่ถ้าเราหวังว่าเออมันต้องหายดิ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 อ่าเนี่ยปฏิบัติทำแล้วตอนนี้ใจไม่มีอะไรแล้วชายยังไม่ทุกข์ไม่เครียดหรอกเรากําลังรู้ตัวอยู่ว่ากําลังนั่งกําลังฟังนะแต่ถ้าใจเราคิดปรุงแต่งแล้วก็เดี๋ยวทุกข์มาแล้วรู้สึกตั ว, วเวลากําลังนั่งเนี่ยเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมที่การเจริญสติแล้วเรายืนเราก็รู้ตัวว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเรากําลังเดินจะทาอะไรก็ตามจะดื่มน้ําทานข้าวออกกําลังกาย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 ทุกอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าอยู่กับการฟังเนี่ยทุกไม่เกิดตอนเนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวอยู่ที่การนั่งของเราเนี่ยอยู่ที่การฟังใจมันจะเริ่มสบายเพราะเรามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นถ้ามีสมาธิเราก็มันทําให้จิตใจในี่ผ่อนคลายจิตใจจะผ่อนคลายมันไม่เครียดสุขภาพจิตดีตรงเนี้ยต้องมีสติ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 เขาจะบอกความจริงในตัวเราว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างไรเรื่องของกายเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมอย่างตอนเนี้ยเรนนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างในกายเราเมื่อยไหมเมื่อยนี่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์แล้วทุกของใครทุกของกายหรือทุกของเราอย่าคี้ตูนะโอ้นี่เป็นทุกข์ของร่างกายตอนเนี้ยเรากลายเป็นผู้ดูกลนะแนละ้ เ, เปลี่ยนเป็น ผู้ดูแลนะไม่ใช่ผู้เข้าไปเป็นถ้าเรารู้ตัวว่ากําลังนั่งการนั่งเป็นเพียงสิ่งหนึ่งแต่การรู้เป็นเพียงสิ่งหนึ่งเห็น ไ, ไหมโอ้นี่แยกรูปแยกนามนะเนี่ยธรรมะชั้นสูงเลยนะรู้ตัวว่ากําลังนั่งอ้อนี่ทุกเนี่ทุกของกายใจไม่ต้องเป็นทุกเนี่ยเริ่มต้นจากพื้นฐานเลยแต่ก่อนเราไม่มีสติเราไม่มีความรู้ตัวพอร่างกายปวดใจมันก็ปวดเห็น ไ, ไหมปวดทั้งกายปวดทั้งใจ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 ไหนร่างกายใครเป็นสุขบ้างสุขทุกเนี่ยกายบอกไม่ได้แต่จิตผู้รู้เนี่ยเขาบอกได้กายคือเครื่องอาศัยเนไม้มแยกจิตผู้รู้ส่วนหนึง่งกายที่ปวดที่เมื่อยที่ทุกข์ส่วนหนึง่งคนละอันกันดูดีๆนะของสองอย่างนี้มันแยกกันอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจเพราะเราขาดสติเราลวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเพอกายหิวใจก็โมโ oh. หกายเมื่อยใจก็เป็นทุกข์ เวลามีความป่วยไข้ทั้งร่างกายเนี่ยใจก็เป็นทุกข์เวลากายแก่ใจก็แก่เวลากายตายใจก็ตายไปด้วยเนี่ยรวมไปหนึ่งเดียวเนี่ยแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะแยกแยะ ก, กันทาเมื่อยแล้วทำยังไงมีโรคภัยไขเจ็บยังไงก็แก้ไขทุกบางอย่างเนี่ยเราต้องแก้ไขรู้แล้วต้องแก้ไขบางอย่างแก้ไขไม่ได้ก็มีนะอย่างความแก่นี่แก้ไขได้ไหมพยายามแก้ไขนี่ มันก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็แสดงความแก่เห็นใช่ไหมความเมื่อยล้าอ่อนแรงตีนเดียวตีนกาเนี่ยตีนตะขาเต็มหน้าเต็มตามันแก้ไขไม่ได้หรอกมันเพียงแค่ปกปิดอันนี้เรารู้ไว้ออกเป็นธรรมดาใช่ไหมธรรมดาแล้แต่ความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายโรคภยัยแค่เจ็บเราสามารถแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อันเนี้ยเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้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 เราต้องคอยแก้ไขให้ร่างกายเดี๋ยวมันกินเดี๋ยวมันทายเดี๋ยวมันนอนใช่ไหมต้องคอยดูแลมันอยู่เรื่อยไปจิตใจคือผู้ดูแลแต่ใจจะต้องมีสติปัญญาด้วยถ้าขาดสติปัญญาเนี่ยมันดูแลไปทางที่ไม่ดีนะพาไปฆ่าตัวตายมาั่งพาไปดื่มสุราพาไปให้ร่างกายมันเครียดนอนดึกจิตต้องมีสติปัญญาคอยช่วยดูแลอันเนี้ยมันเป็นชีวิตของเราจริงๆทีนี้ถ้าหากว่า ร่างกายที่มีทุกข์รุนแรงอย่างเช่นความเจ็บปวดใครเคยเป็นไม่ความเจ็บปวดนะ่ะเป็นเสมอเท่าเทียมกันความเจ็บปวดนี่จะเอาชนะได้อย่างไรไม่มีใครจะเอาชนะความเจ็บปวดได้ได้ดีกับความอดทนอดทนดีกว่าโอดครวนทุกทางกายเนี่ยจะไม่รุนแรงมากนะแต่ถ้าไม่อดทนไปโอดครวนแล้วก็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 อย่างผมเคยมีประสบการณ์สมัยก่อนนี่ไม่เคยสนใจธรรมะตอนที่พิการใหม่ๆโอ้ทุกขเวทนารุนแรงมากมีทั้งอาการชาทั้งตัวเนี่ยเนี่ยผมชาทั้งตัวเลยนะยกเวน้นศีรษะมือนี่ก็ชานิ้วมือเนี่ยก็ชาเหมือนคนเป็นเ น, น็ตอะมีความสุขไหมคนเป็นเน็บสมัยก่อนเราเคยเอาหนังสติกลัดที่เท้าแหมลัดทำไมมันชาดีมันชาและมันราคาญมาก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 เรื่องกีฬาเรื่องฟุตบอลเรื่องเที่ยวที่นูน้นที่นี้นึกทรงจิตออกไปในความคิดของเราบางทีนึกถึงเสียงเพลงที่เราชอบเพลงที่เราชอบร้องชอบฟังแต่ต้องไปเพลงดีๆนะอย่าไปนึกเพลงทําไมถึงต้องเป็นเราบางทีทุกไปจนตายนะลองนึกดีๆโอ้ไม่เป็นไรบอกเลยว่าไม่เป็นไรเป็นก็เป็นเหมนจะเป็นไรเนะี่ย วันทีก็อย่างนี้ต้องลาออกเอาไ้สะใจไปเลยจิตมันก็ออกได้ชั่วขณะหนึ่งแต่มันชั่วคราวเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่กุศลหรอกแต่ต่อมาเนี่ยเริ่มสนใจธรรมะเวลามันเกิดทุกขเวทนาใหม่ๆทำกรรมฐานยังไม่เป็นเจริญสติไม่เป็นก็คิดไปทางที่เป็นกุศลคิดว่าอ๋อชีวิตเรานี่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นทุกเป็นตายักไปเลยคิดเอา ก็ได้เพราะเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเหมือนกันต่อมาก็ใช้วิธีการสวดมนต์เวลามันทุกข์มากๆก็สวดมนต์เลยนึกคำสวดมนต์อิติปิโสปะกวา阿拉หังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสวัสดมนต่นเองนะสวดแบบนกแก้วนกคุณทองมันก็พากิตออกจากอารมณ์ได้ชั่วขณะหนึง่งต่อมาเริ่มเข้าใจเรื่องกรรมฐานก็บริกรรมพุโทโธ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 เวทนาความเจ็บปวดจะมากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรารักษาจิตเอาไว้ให้เป็นปกติไม่ปล่อยมันปรุงแต่งมากเลยความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยจะอยู่ในระดับที่เราทนได้เราจะทนได้ไอ้สมไม่ได้เพราะเราไปปรุงแต่งต่อเตอิมมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยสตินี้ช่วยได้เวลาทุกเวทนาเกิดขึ้นเราจะรู้จิกทนได้ในอาการเหล่านี้แล้วถ้าเรามีสติ คอยช่วยรักษามีปัญญาด้วยคอยปล่อยวางปล่อยวา ง, วางบ่อยๆเนี่ยทุกทางกายจะรุนแรงแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีผลต่นานจิตใจเนี่ยเรื่องของกายแต่ว่ามาทำความสบายที่จิตใจเราได้จิตก็จะเป็นอิสระถ้าจิตอิสระหมาแล้วก็สุขภาพจิตดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นมีความสดชื่นเพราะสุขภาพจิตดีแล ะ, ม อ, อะแลนะมองอะไรก็ดีนะมองอะไรก็ดีจะคิดก็ดี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 ที่เข้าใจเพราะอะไรเพราะเข้าใจความคิดของเรารู้ทันในความคิดเวลาจิตบางคิดก็ให้รู้ทันมันเนี่ยสติทำหม้าที่รู้จักกายรู้จักใจรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นแในตอนนี้มีใครเป็นผู้ดูแลบ้างผู้ดูแลเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ทำบุญนะเนี่ยเป็นผู้ที่มาทําบุญช่วยเหลือเขาเพราะว่าคนไข้บางทีเขาอาจจะเป็นทุกข์ทั้งนร่างกาย แต่จิตใจเนี่ยสามารถจะมีความสุขได้นะเขาสามารถจะมีความสุขได้ทางด้านจิตใจและเขาก็ไม่ได้ป่วยเฉพาะร่างกายหรอกบางทีใจเนี่ยเป็ป่วยมากลักษณะของผู้ป่วยเนี่ยจิตใจเนี่ยจะสังเกต ด, ดูที่ว่าจะมีอาการอะไรน้อยเนื้อต่าใจเศร้าหมองหมุดหงิดเจ้าอารมณ์ขี้มโมโหแล้วก็บางทีชอบร้องไห้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 อย่าไปถามว่าวันนี้เป็นยังไงอาการดีไหมโอ้น่าเบื่อคาถามวันนี้อาการดีไหมบางทีมันไม่ดีมันจะบอยยังไงบางทีดีก็ขี้เกียจพูดไม่ต้องไปถามสังเกตดูนะพูดดูแลาสังเกตดูเขาถ้าเขายิ้มยันจแจ่มใสแต่ว่าอาการดีถ้ายังเศร้ามหมองอยู่แล้วอาการไม่ดีเราก็รู้อยู่อย่าไปถามมื่ดีเขาจะลำบากใช่ไหมคุยกับคนตามปกติอย่าคิดว่าเขาป่วยเขาเป็นอะไรธรรมดาใช่ไหม จะได้เสมอๆกันบางทีคนไข้ก็อาจจะแสดงอาการที่ทุรนทุรายเป็นทุกเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจบางทีอาจจะใช้คาพูดที่ไม่ดีอาจจะแสดงาการไม่ดีต้องเข้าใจคนไข้อ๋อนีเป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาเป็นทุกของเขาเราคือผู้ดูแลเนี่ยไม่ต้องทุกข์ด้วยอย่าไปติดโรคความทุกข์จะเข้ามาสู่ตัวเราเ้วก็ทาหน้าที่ไปหน้าที่ เป็นเรื่องของเราเป็นหน้าที่ของเราแต่ไม่ใช่เรื่องของเราที่ต้องเป็นทุกข์ด้วยต้องรู้จักแบ่งแยกการทำหน้าที่เป็นเรื่องของเราแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเป็นทุกข์ด้วยเห็นไ่มต้องรู้จักแบ่งแยกเพราะนั้นผู้ที่ดูแลก็ต้องปฏิบัติทําด้วยนะต้องเจริญส ต, ติด้วยรักษาจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ถือโอกาสเรียนรู้คนไข้ไปเลยเรียนรู้คนไข้ในคนไข้นี่นยเขาเรียกเป็นแหล่งวิชานะ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 เวลาใจมันโกรธก็รู้มันโกรธใจมันเบื่อก็รู้มันเบื่อให้รู้เต่าทันใจเราเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยผู้ป่วยก็ต้องทำหน้าที่ถูกต้องหน้าที่ของผู้ป่วยคืออะไรก็คือความอดทนอดทนแล้วก็สงบส ง, งมช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เจริญสติเสมอๆ เ, เนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ผู้ดูแลก็ต้องแบบเดียวกันต้องมีความอดทนมีสติ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 จะเป็นคนไข้เป็นผู้ดูแลหรือเป็นใครก็ตามไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่าการวางจิตวางใจสำคัญที่ใจนะใจสำคัญกว่าถ้าเราทำจิตจนใจแบบโอ้เบื่อหน่ายเซ็งชีวิตนี้มีแต่ความเศร้าหมองโทษเวรโทษกรรมมันทำไมเป็นกรรมของเราเนาะเนี่ยโทษคนนน้นโทษคน น, นี้มีความโกรธความเครียด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 ความมือรู้สึกเดีือดใจมันก็ไปละคิดละคิดก็อ๋อเนี่ยมันคิดเนี่ยไหมฮะทิ้งไปแล้วกลับมารู้สึกใ ห, หม่เห็นปะกลับมาอยู่ที่ฐานที่ตัวเราบา่อยๆเนี่ยทําอย่างเงี้ยทําเรื่อยๆเนี่ยยิ่งนานบานเข้าเนี่ยสติมันก็มากขึ้นมากขึ้นเมื่อสติมากเนี่ยความทุกเนี่ยมันลดลงเลยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยเพียงเจริญสติในแต่ละวันเนี่ยทุกมันก็ลดลงได้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 ปัญหาต้องมีการแก้ไขแต่ความพิการนี่มันแก้ไขไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาของเขาเลยไม่ต้องแก้ไขอะไรพอเข้าใจตรงนี้นะใช่เราก็ดีขึ้นห็นไม่มเมื่อใจเราดีเนี่ยมองอะไรแล้วก็ดีหมดเลยความคิดออกมาก็คิดมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่งความเป็นจริงแทนที่จะเป็นทุกข์หรือผลักดันความทุกข์ในกาย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 เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็นอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นคุณแม่ยังกวาดเช็ดถูโอ้หน้าสงสารท่านทําไมท่านต้องมาลําบากพวกเราอย่างนี้อยากจะช่วยท่านแต่ไม่รู้ช่วยอย่างไรก็นึกคิดไมได้อ๋อถ้าเราพยายามช่วยตัวเองช่วยตัวเองให้มากๆเท่ากับเป็นการช่วยเหลือท่านด้วยโอ้อะไรมาช่วยตัวเองมากๆตอนนี้กระตือรือล้อนที่จะช่วยเหลือตัวเองให้มากๆเกิดความขยันเกิดความอดทน ที่จะกระตือล้นที่ช่วยเหลือตัวเองเป็นการแบ่งเบาภาระรากับคนอื่นด้วยเนี่ยมันเข้าใจคนอื่นแล้วคุณแม่นี่ก็เวลาเข้ามาหาผมแตละครั้งเนี่ยท่านจะมีคําพูดที่เป็นการปลอบใจให้กําลังใจคำคำหนึ่งทนะี่พูดเสมอๆว่าอ่อลูกเอ้ยเมื่อเป็นได้มันก็หายได้เจอหน้าก่อเวลาท่านไม่จะพูดอะไรถ้าก็อาศัยมุกเก่าอะมันเป็นได้ก็หายได้ อ้โหบางีเราก็เบื่อนะโอ้แต่เราเข้าใจท่านโอ้นี่หวังดีเจตนานดีที่ก็เบื่อคําพูดซ้าๆมันมเหม็นหายแล้วทีหนึงเห็นพูดมาหลายปีนะแต่เราก็เข้าใจคําพูดปลอบใจให้กําลังใจเนี่ยทําให้เรามีกําลังใจเหมือนกันเนี่ยบางทีเราก็หงุดหงิดนะสมัยก่อนยังไม่ปฏิบททัติธรรมท่านเดินเข้ามาเนี่ยพอดีคนพิการเนี่ยขาเนี่ยเราจัดเองไม่ค่อยได้ต้องมีคนอื่นมาจัดให้ขาของเรานะแต่คนอื่นต้องมาจัดให้ บางทีนอนนี่ขามันกางออกอีกขาหนึ่งมันจะตกเตยียงอยู่แล้วกูแม่เดินมาอ้าวจะออกไปไหนเลยเนี่ยเนี่ยเตยียงจะหนีเที่ยวสิเนี่ยเราก็ขำมันนะจะหนีเที่ยวใช่ไหมดิเดิย้ยเพิ่งๆแกก็จับขามาวางกับที่ประเดีขาคนที่พีการเนี่ยมันจะสั่นเพราะจับปั๊บมันสั่นกูแม่บอกดิเพิย้ยเพิ่ ง, เ, งเดี๋ยวไปหารถเข้ามาให้ใส่ก่อนอย่าเพิ่งรีบไปเราเดินไม่ได้ ขามันสั่นนะ อ, อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะไปหารองเท้ามาก่อนมาให้ใส่นท่านพูดค้ำๆ ต, ตลกๆเราก็พลอยที่จะสนุกสนานไปด้วยต่อมาเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่หารองเท้ามานะเดี๋ยวเอากางเกงมาด้วยเสื้อด้วยสตางค์อีกจะได้ไปเที่ยวพลอยสนุกสนานไปเลยเป็นบรรยากาศจากความเครียดเป็นความสุขนน พ, าาพอเริ่มเข้าใจปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นและเข้าใจคนอื่น กระตือหรือล้อนที่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยเรียนรู้ความทุกข์และเข้าใจนะใจมันก็มีความสุขเพราะว่ารู้ทันไปแล้วเห็นไหมอันเนี้ยเป็นส่วนที่ดีนะเพราะฉะนั้นพลังชีวิตกําลังจิตกาลังใจนั้นไม่มีอะไรเกินพลังธรรมะหรอกพลังธรรมะสร้างพลังชีวิตเหมือนอย่างกับว่าเราเนี่ยได้เติมส่วนที่มันขาดให้มันเต็มสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ย ชีวิตเราอยู่ได้กําไรชีวิตทุกวันเนี่ยใช้กําไรชีวิตนะอยู่ได้กมไรชีวิตก็เลยนำกาไรเนี่ยมาแบ่งพวกเราเอากําไรชีวิตแบ่พวกเราเนี่ยให้เราเกิดการเรียนรู้บ้างก็จะมาชวนพวกเราเนี่ยมาทําประกันชีวิตด้วยธรรมะสนใจไหมประกันชีวิตด้วยธรรมะนี่ยิ่งใหญ่นะเราอาจจะทําประกันมามากมาทาไปเถอะไม่เป็นไรอันนั้นเป็นประกันแค่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่แต่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 เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นได้ก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปเสียใจอย่าไปเศร้าใจเรายังมีความหวังอยู่พระพุทธเจ้าตัดเลยว่าถ้าใครครบหาพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรคนที่มีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเป็นไปตามกรรมเป็นธรรมดาหรือเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเนี่ยสามารถค้นจาอาการเหล่านี้ได้ถ้าคบกับท่านเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็นําธรรมมาปฏิบัติเรายังมีทางออกอยู่